วันนี้เป็นวันที่เก้าเมษายนพุทธศักราชสองพห้าอห้าสิบาเนี่ยเรื่องมรณะภัยมรณดังเมภาวิติให้ระลึลึกถึงอยู่เสมอไม่ว่าเราเราอยู่จะจะอยู่ในสถานะไหนมั่งมีสีสุขสนุกสบายมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความพร้อมเพียงในครอบครัวในหมู่ญาติในลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ถึงอย่างไรเราก็ต้องคิดไปอยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องแยกย้ายกันจะต้องจากกันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีทางเลือกอย่างอื่นต้องแยกย้ายกันแน่แต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น อันนี้ให้พวกเราคิดไว้ในใจไว้อยู่เสมออันนี้คือถ้าพวกคิดไว้อย่างนั้นได้อะไรถ้าคิดอย่างนั้นได้อะไรก็ได้ความไม่ประมาทถ้าคนคิดไว้อยู่อย่างนั้นคือความตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือเป็นผู้เตรียมพร้อมอยู่เสมอว่าเราอยู่ในสถานะนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรนี่แหละ เมื่อจากนั้นเราก็เข้าไปปฏิบัติได้ปฏิบัติตัวได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่ลุ่มหลง ม, มัวเมาจนเกินไปแต่ถ้าเราไม่ไระ ล, ลึกถึงความตายไว้นะถ้ามันโลภมันก็โลภมากถ้ามันโกรธใครใครก็โกรธมากถ้ามันหลงรักอะไรก็หลงหลงรักมากผลใด้สุดก็นดะ้ล่มหลง ม, มัวเมาเรื่องไม่เป็นเรื่อง ขี่โมโลาขี่ม้าแห้งที่ไหนๆก็เป็นเรื่องเป็นเราขึ้นมาหมดถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ลืมตัวอีกต่างหากว่าตัวเองจะไม่ตายนี่แหละสิ่งเหล่านี้ท้าว่าระลึกถึงมรณะภัยไว้อยู่เสมอเราจะรู้จักวิธีการวางตัวนะวิธีการวางตัววิธีการดําเนินชีวิตของเราเราควรจะ ทำตนอย่างไรในช่วงนี้ในขณะนี้อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชอย่างเป็นพระนวกะอย่างนี้นักศึกษาแพทย์ที่มาบวชในขณะที่เราเข้ามาบวชช่วงนี้เราเข้ามาบวชเราก็ต้องดูว่าในช่วงนี้เราจะทําตนอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดดีที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุด อันนี้แหะคือเราก็วางตัวโชนอื่นเราก็ตัดทิ้งไปหมดไม่ต้องคิดเรื่องการเรียนเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างอื่นเรื่องการดูหนังสือแพทย์เราปล่อยไปก่อนเราก็รู้อยู่แล้วกี่วันที่เรามาอยู่ที่นี่เราให้มาศึกษาจุดนี้ก่อนคือให้ปล่อยวางจุดนั้นนี่แหละอันนี้คล้ายๆว่ารู้จักสถานะการวางตัว ไม่ใช่ว่าพอเราเข้ามาบวชทีแรกก็อยู่ในบ้านเบื่อในการเป็นอยู่เบื่อในหน้าที่การงานเบื่อทุกอย่างอะมาข้่าเนี่จะต้องเข้าไปภาวนาอยู่ในวัดจะต้องภาวนาอย่า ง, างนู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่วัดมนโนภาพจะสวยหรูแต่พอเข้ามาจริงๆพอเข้ามายวุวัด ถูกยุงกัดบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างถูกหมูเพื่อนพูดบ้างหิวบ้างกระหายบ้างไม่ถูกใจตัวเองบ้างกิเลสเหล่านี้มาลุมมาตุ่มเข้ามาใจก็เลยไม่สู้ถอยลักษณะคิดว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าคิดปุ่มฟุง้งแต่ละปุ่มฟุ้งออกไปข้างนอก คนในสุดเข้ามาทั้งที่จะเกิดประโยชน์เข้ามาศึกษาธรรมะมีแต่เรื่องปูงฟุง้งอยู่ตลอดไปเ่เวลา <ๆ S 1> เพ้อเพอจะเป็นบ้าเอาอย่างนั้นก็มีนะอย่างนั้นก็มีพอหลวงพ่อได้ยินที่แรกก็มากับเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่พอมาเข้าจริงๆนะมาเจอของจริงเข้าถนะึงมันไม่เหมือนกับที่เราเราวาดพระโนภาพนะที่แรกก็เหมือนเหมือนกับนักชกนักมวย อยู่ในเมืองไทยเนะี่ยฝึกซ้อมที่อย่างดีฮะวิ่งไ่ลูกกี่กิโลมั่นใจในตัวเองพอไปเมืองนอกไปชกกับเขาคิดว่าจะเอาแชมป์กลับมาเมืองไทยพอเข้าไปแล้วเขาถลุงซะหมาอไม่เป็นท่าเลยตีไม่กี่ยกอีกต่างหาก ความตั้งใจของตอนเองเอาหมายมั่นปั่นพึงว่าจะเอาให้ชนะสูงส่งนะพอเข้าไปแล้วโดนเขานอกละหมอบหมอบไม่เป็นท่าอีกต่างหากไม่ใช่หมอบแบบมีชั้นเชิงนะถ้าหมอบทางมาแพ้แบบมีชั้นเชิงก็ยังค่อยยังชั่วอยู่อันนี้หมอบหมอบแบบกระตายแล้วหมอบแบบหมาก็ไม่รู้แต่นี่สู้เขาไม่ได้ แต่ความตั้งใจทีแรกวาดเสียหลูเสียแต่พอเข้าไปเนี่ยสู้ขอไม่ได้นี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ที่เราก็ไม่ได้ดูถูกคล้ายๆบอกคล้ายๆกับไมมันปั่นมือทั้งนั้นแต่มันสู้ไม่ได้อันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเป็นฆราวาสแต่ทาหน้าที่การงาน ทำอย่างกันก็ใหม่ดีทำอย่างนี้ก็ใหม่ดีคนนั้นก็ใหม่ถูกใจคนนั้นกันพ้นทสุข ก, ก็เลยในยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในจิตใจอ้าวถ้าหากว่าไปอยู่ในวัดในวายอยู่ในที่สงบพุงจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้เไอความคิดในใจแต่พอเอาเข้อมมามืออยู่จริงๆจริอว้าเหวอ้างวางเงียบเก่าซึมเศร้าปูงฟุ้งซ่านนั่นแหละ็นเรากิเลส แพ้กิเลสกิเลสนอก แ, แต่ตัวเองไม่รู้นะอตัวเองไม่รู้แต่ที่แท้กิเลสนอกแล้วนะเพราะว่าปัญญาของเราไม่ทันสติของเราไม่ทันปัญญาของเราไม่ทันแต่ทีนี้พอเสร็จแล้วกลับไปบ้านอีกทีนี้ตายทําไมใจเราเป็นอย่างนี้วะเราก็เบื่อมันอยู่พอแรงมาอยู่ในบ้านกลับมาแล้วทําไมเป็นอย่างนี้วะอะ แต่บางคนกับบางคนกักลับเออพอเข้ามาแล้วก็กลับไปบ้านเออรู้สึกว่าบ้านของเราเป็นสวรรค์ว่ะแต่ก่อนเรามองเห็นว่าบ้านของเราเป็นนรกมันฝืดเครื่องมันมันไม่น่าอยู่ที่สุดเลยแต่พอไปอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดกลับมาแล้วโอ้โหบ้านของเราเนี่ยเป็นสวรรค์ขึ้นมาเลยฮะอย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันนะเลยเข็ดเลยนะ เพราะเหตุไรพราะเข้ามาแล้วมันไม่รู้จักวิธีการวิธีการที่จะเอาชนะกิเลสภายในใจของเราเนะี่ยทำอย่างไรจะเอาชนะใจตงเองได้เห็นไหมพระพุทธเจ้ขาขณะเป็นพระพุทธเจ้าสยามภูเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เป็นผู้จัดตัตสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจะได้ตัดัสรู้แล้วพระ อ, องค์ไปบําเพ็ญอยู่ในป่า แต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้พูดถึงแต่ก็คงจะพอแรงเหมือนกันแต่ท่านมาพูดเอาโค้งสุดท้ายวันสุดท้ายที่ท่านจะได้ตัดสรู้นะทำไมยังมีพยามารพยามารเสียนามานนางตันหาราคาอรดีนางตันหาราคาอรา ด, เอาราาอรดีเข้ามาลกบบวนพระองคอ์จนพระองค์ดู ด, ดูแล้วก็จะเป๋ไปเหมือนกัน แต่ก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานบารมีด้วยความจริงจังและจริงใจจากนั้นก็เหมือนกับมีเป็นปุคลาธิฏฐานขึ้นมาว่านางธรณีบิดมวยผมน้ำ เ, เมตตาน้ำจิตน้ำใจด้วยของพระ อ, องค์ไหลออกไปจนถ้วมทนพยามาร เสนามาร น, นางตันหาอราดีน้ำท่วมและเลงละลายไปหมดนี่นะท่านเปรียบเทียบไปท้ายก็ว่าเมื่อพระองค์เข้าไปอยู่บาเพ็ญโครงสุดท้ายเนี่ยใจของพระองค์ก็ยังคิดไปในทางกิเลสยังคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องที่เคยอยู่มาก่อนในตาตาไม่จริงพยาบาลจะมีที่ไหนก็คือใจพระไทยของพระองค์นั่นนะ่ะไปประวัติถึง พยามาณกิเลสมานนางตัญหาราคะคือตาราคะตัญหามันมีอยู่มันมารบกวนพระองค์แต่พระองค์ต้องใช้ขันติคือความอดทนสัจจะคือความจริงจังและจริงใจถ้าหากว่าข้าพรเจ้าเราไม่ได้ตัดรู้ในบรรลังนี้ถึงเนื้อหนังมังสาจะเหือดแห้งไปก็ตามจะไม่ลุกโดยเด็ดขาด อันนี้ก็คือพุทธอย่างพระพุทธเจ้าท่านตั้งจิตอธิษฐานวันเดือนหกเพ็ท่านจะได้ตัดจรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนนี่แหละพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เขามามาเกิดในโลกภูติางานมาเกิดในโลกแล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ได้พบทำคําสอนของพระพุทธเจ้า แนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางฝ่ายพระสงฆ์ที่เขามาบวชก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่พวกเราอยู่ข้างนอกเหมือนกับพระท่านจะอยู่แบบง่ายๆใช่บางองค์ก็อยู่ง่ายๆจริงๆเพราะอยู่แบบชังกระตายอยู่ไปเรื่อยไม่ได้คิดจะอ่านอะไรอยู่เป็นวันๆไป น, นั้นก็มีแต่บางองค์ในท่านอยู่ด้วยการสู้กับใจของตนเอง แต่ละวิแต่ละวัดพอมันมีกิเลสอย่างที่ว่าราคะโทสะโมหนะมันมารุมมาตุ่มในใจของของพระไม่ใช่น้อยเหมือนกันอย่างเราท่านทั้งหลายบางคนเข้ามาคิดจะมาภาวนามาสู้กับกิเลสเพียงเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันกิเลสก็ตั้งเตะทั้งต่อยผลที่สชกคือหมอบเหมือนกับเ อ, อแชมป์จะไปเป็นซิงแชมป์ จากต่างประเทศอย่างนั้นอ่ะไปแล้วให้เขาถลุงซะเหมาะสู้กิเลสไม่ได้สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราเปรียบเทียบดูว่าการเข้ามาบวชของเราหรือการมาปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเรายอมแพ้กับกิเลสตัวไหนบ้างในใจของเราการหลับการนอนการอยู่การกินการครบค้าสมาคมหมู่พกเพื่อนไม่เป็นที่พอใจหมู่พกเพื่อนพูดกันแหนกะันแหน แล้วดินฟ้าอากาศมาแมลงยุงความมืดจิปาถะมากมายหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคในการประพฤติธปฏิบัติธรรมและจะกจะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างเราจึงปฏิบัติธรรมตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติก็คงจะไม่ได้ที่จะให้ได้อย่างใจของเราจึงปฏิบัติธรรมแต่ทีั ง, งไงมันก็ต้องฝืนรู้จักจกลบรู้จักจกลีก รู้จักการวางตัวรู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองควรจะทำยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่ใจของเรามันคึกขนองอดอาหารใจของช่วงนี้เราควรจะอดนอนหรือผ่อนอาหารหรือเราจะอยู่ตามลาพังหรือเราจะภาวนายอย่างไรวิธีการปฏิบัติของเราสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายสังเกตตเอง ในการปฏิบัติธรรมถ้ามันออกไปนอกรูนองทางทาไมสาเหตุเพราะมันออกไปเพราะอะไรเราก็ตั้งใจมาปฏิบัติทำไมใจของเราจึงปล่อยออกไปอย่างนี้เราก็ต้องหาต้นเหตุหาต้นของมันหาเหตุมันมีผลอ ย, อย่างนี้ขึ้นมาเพราะมันมีเหตุอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุก่อนมันจะค่อยมีผลเพราะนั้นเราต้องหาเหตุแก้ที่เหตุถ้าแก้ที่เหตุได้แล้วอยู่นสถานที่ใด จิตใจของเราก็มีแต่ความผาสุกมีแต่ความเจริญในธรรมผลในสุดจิตใจของเราก็เจริญเรื่อยๆเห็นอริใจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมันจะยึดมั่นถือมันได้อย่างไง ร, ร่างกายก็อย่างที่ว่านั่นเห็นไหมอ ย, อย่างวันนี้พระองค์เจ้าขนาดเป็นพระองค์เจ้าทา่านกระยังละสังขารจะประสีภาษาอะไรกับพวกเราเราจะไม่ละเหรือเราจะไม่ตายหรือ แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นทางกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งทิ้งแน่แน่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งอื่นให้พ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายแห่เงินในธนาคารที่ดินบ้านพักพาอาศัยเราจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งเหรอ ไม่มีใครได้หยวก่้ า, าจะเอาไปด้วยไม่มีทางจะเป็นไปได้คิดก็คิดได้แต่เอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งทั้งหมดแต่ขนาดร่างกายก็ยังทิ้งสิ่งอื่นทิ้งทั้งหมดยศถาบรรดาศัพย์เงินคาทรัพย์สมบัติวัตถุเกี่ยวข้องพี่น้องลูกหลานพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายเราจะเดินไปตามลำพังเอาไปด้วยไม่ได้แต่ร่างกายนะ่ะทิ้งแต่ทีนี้ใจของเราล่ะ ให้ดูใจเถอะใจคือตัวผู้รู้ตนนึกคิดอยู่เดี๋ยวเนี้ยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราละ่ะไปหลงเขาใช่ไหมใจติก็ะ้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใจไปหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมใจไม่น่าจะหลงนะใจนะน่าจะรู้เท่ารู้ทันนะใจนะตัวใจของเราก็ยังมีอันนจ้จงังทุกขังอนัตตาอีกเหมือนกันเดี๋ยวก็คิดนึ่นเดีก็คิดนี่เดี๋ยวก็พุงนั้นเดี๋ยวก็พุ่งสานนี่ เดี่ยวก็ดําเดี่ยวก็ขาวเดี่ยวก็มืดเดี่ยวก็สว่างเดี๋ยวก็ขาวเดี่ยวก็ดําในใจของเรามันเป็นสองยู่ตลอดมันพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังอยู่ตลอดใจดวงนี้ผู้รู้ตัวนี้นามธรรมตัวนี้ตัวที่รู้รู้นี้ก็เป็นอเนจังเหมือนกันของไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา สิ่งเหล่านี้ก็วางกระทั่งใจอีกเด้นี่แหละทาทาขั้นสูงสุดแล้วต้องวางใจอีกนะเห็นใจตัวเองเป็นอนัตตาอีกไม่ใช่ตัวตนของเราอีกปล่อยกระทั่งใจพอปล่อยกระทั่งใจนะนะั่นอ่ะพอปล่อยหมดทุกอย่างแนละ้วสิ่งที่มันยึดมันถือนะนะั่นอ่ะอ่มันเป็นตัวกิเลสเรือกว่าเป็นตัวถ่วงพอปล่อยหมดหมดแล้วนะความบริสุทธ ตัวหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับเราตะก่อนเราก็คิดว่าเราอยู่อย่างนี้ดีละไม่รู้อะไรดีละแต่พอเรารู้หนังสือแล้วอ่านหนังสือได้ความโง่มันก็ตกไปความที่ไม่รู้มันก็ตกไปความรู้มันก็ขึ้นมาตรงที่มันไม่รู้นั่นแหละนี่แหละนี่แหละให้พวกเราหาธรรมนะไม่ช่องไม่ได้หาที่ไหนนะผลที่สุดหาที่ใจเท่านั้นนะธรรมะทำคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แต่ มันรลุที่ใจต่จสรู้ที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจมนโนโภูพังคมาธ ร, ร ม, มามนโนเศรษามนโนมายาดวงพ่อยกบาลีตัวนี้ขึ้นมายกแล้วยกอีกเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้เน้นไปทางอื่นมีต่กายกับใจแต่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจผมขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะคณะชาติญาติโยมลูกหลานทุกคนการส่อแสวงหาธรรมหรือหาทางพ้ น, พนทุกหน ต้องเข้ามาสู่ใจเท่านั้นนะั่นแห ะ, ะคือจุดใหญ่คือจุดที่แท้จริงนะอันรับพร อ, อนุโมทนาให้พร